นี้พอเรามาดูนะว่าเรามองเห็นว่าทิฏฐิหยาบหยาบเนี่ยมันเป็นสินค้ายังทําเงินได้ทําอาหารได้ใช่ไหมจริงไม่ต้องกล่าวถึงว่าสัมมาทิฐิก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งถูกไหมครับเมื่อสัมมาทิฐิเป็นสินค้าอย่างหนึ่งออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครเมื่อผู้ที่พระองค์ก็เป็นสินค้าของพระองค์นั่นแหละทีนี้ถ้าผู้ใดเอาสินค้านี้เนี่ย ท, ทั้งที่เป็นสัมมาทิฐิเนี่ยเอาไปจําหน่ายที่ที่ไม่ถูกต้อง่ะ ใช่ไหมที่ไปจำหน่ายที่หรือว่าไปเผยแพร่ไม่ตรงไปตรงมาขายกําไรเกินควรหรือว่าไม่ควรอยากําไรก็ไปเอากำไรทํำนอง น, นั้นนะที่มันเป็นมิจฉานะเออถ้าอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์คงเห็นว่าท่านนักบวชทั้งหลายผู้มีอาชีพนักบวชทั้งหลายก็คือพวกที่อยู่ได้ด้วยทิฏฐิอันนี้เหมือนกันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทิฏฐิอันนี้เหมือนกันพระองค์จึงได้บัญญัติพระวินัยขึ้นมาเพื่อที่จะจะให้อาพระท่าน ไม่ผิดในอาชีพอันเนี้จึงบัญญัติตรงไปในอริยมรรคมีอแปดเลยว่า อ, อสัมมาอาชีวะนี่มีอิทธิพลต่อ ก, การบรรลุมรรคผลมากผมนึกในใจ น, นะอันนี้ผมก็พูดเลยไปหน่อยประเดี๋ยวให้พระอาจารย์พอจะตอบปัญหาของคุณโตเลยไหมครับหรือว่าจะยังไม่ตอบก็มีฝรั่งบางกลุ่มเข้าไปเหมือนไทยไปฝึกสมาธิจะได้กลับไปต่างประเทศประเทศของตัวจะได้ไปเปิดสมาธิเซ็นเตอร์นะรับจ้าง เรียกคนเข้ามาฝึกสมาธิมหาวิชาสมาธิไปประกอบอาชีพอย่างนี้ก็มีอยู่ในยุคนี้เนี่ยนะซึ่งในส่วนของมาอยากจะพูดว่าในตอนแรกเลยนะตัวทิฏฐิเป็นหลักหลบวลุ่งเลยอยากจะกล่าวว่าไ อ, ไอ้ทิฏฐิเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในในปัญหามรรคแปดเนี่ยสมาธิทิฏฐิย่อมเป็นประธาน ว่าสัมมาทิฏฐินี้จะรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาสังกประอะไรเป็นสัมมาสังกประอะไรเป็นมิจฉาวาจาอะไรเป็นสัมมาวาจาอะไรเป็นมิจฉากามมตะอะไรเป็นสัมมากามมตะอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาชีวะอะไรเป็นมิจฉาวายามะเป็นสัมมาวายมะอะไรเป็นมิจฉา สติมิจฉาสติหรืออะไรเป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิฏิย่อมเป็นประธานที่นี้เบื้องต้นสมาธิฏิก็ก็ไม่แยกว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องหยาบที่สุดเลยของมิจฉาทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิที่หยาบที่สุดเลยคือปฏิเสธทานศีลภาวนาปฏิเสธพระรตนาทัยอันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องเอามาพูดอะไร เพถือว่าตกขอบไปนานแล้วเนี่ ย, ยท่านถือว่าบุคคลนี้ไม่คู่ควรกับการพ้นทุกข์อยู่แล้วถ้ายังไม่สละคืนอาทิฐิอันนั้นถ้าไม่สละทิฐิอันนั้นก็ไม่ควรกับการบรรลุมรรคผลอยู่แล้วแต่ว่ามรรคผลเลยสวรรค์ก็ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเพราะเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลถ้าหากว่าปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธการประพฤติทำดีทำชั่วกับพ่อกับแม่เป็นต้น แล้วก็ต้องมาแยกว่าอะไรเป็นเป็นอย่างไรที่นี้มิจฉาทิฐิที่หย่าปรองลงมาก็คือพวกสัสตตทิฏฐิอุเฉททิฐิบางกลุ่มที่เรียกว่าละเอียดขึ้นมาอีกจนละเอียดที่สุดก็คือสากายทิฏฐิสากายทิฐิก็คือเห็นว่าอัตตามีเห็นว่าตนหรือเห็นว่าของตนสําคัญว่าเป็นสัตว์เป็นชีวะอะไรตาตามความคิดของผู้ที่ไม่เคยทําปริญญา ไม่เคยเอามาวิเคราะห์ไม่เคยเอามาแยกแยะแล้วสามมาทิฏฐิถามว่าเบื้องล่างที่สุดคืออะไรคือกรรมสกตาการพูดมักมีองแปลเราก็พูดเพื่อวิวัตะใช่ไหมเพราะวัตสุประสงค์ของคำว่ามักแปลว่ามักนะตัวที่สแสวงหานิพานธรรมชาติของมักสภาวะของมักคือสแสวงหานิพานหรือผู้ต้องการพระนิพานต้องสแสวงหามักหรือต้องเจริญมักถ้าปรารถนาบรรลุพระหนิพานเนี่ยนี่คำว่ามักนะ ความหมายของมรรคเพราะว่าธรรมชาติของเขาคือธรรมชาติที่น้อมไปหาพระนิพพานโอนไปหานิพพานอันใครต้องการพระนิพพานก็ต้องสแสวงหาอริยมรรคตัวสัมมาทิฏฐิกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเบื้องแรกเราแน่นมั่นคงขนาดไหนก่อนก่อนที่จะไปลงรายละเอียดว่าจะทำอาชีพอะไรที่อะไรไม่ที่เป็นต้นมันคุยไม่มีจบมีสิ้นหรอกถ้ามาคุยด้วยว่ากรรมและผลของกรรมมีจริงไหม นีนะอันนี้คือเราต้องมาฝึกแยกตรงนี้ฝึกแยกในชีวิตที่เป็นจริงเราเลยนะมาลองคิดดูทุกคนมาด้วยกรรมเป็นของตนไม่ไม่ใช่หรือก็มาเจริญดูนะอย่างเช่นเห็นอาจารย์สันติปับ๊บก็ท่านก็มาด้วยกรรมของ Geez. ท่านนะท่านก็จับไปตามกรรมของท่านเห็นพีอิตก็เออพีอิตก็มาด้วยกรรมของพีอิตแล้วจับไปตามกรรมของพีอิตนั่นแหละเห็นผู้การก็มาด้วยกรรมของผู้การแล้วก็จับไปตามกรรมของผู้การยมอ้วนก็มาตามกรรมของยมอ้วนก็จะไปตามกรรมของยมอ้ออออม ว, ออวออนะ พี่อุไรก็มาตามกรรมของพี่อุไรแล้วก็จักไปตามกรรมของพี่อุรไรตุลไพฑูรด้วยใช่ไหมอ่าใช่คุณไพฑูรนก็มาด้วยกรรมของตนแล้วก็จักไปตามกรรมของตนโดยสรุปนะพื้นฐานกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอันนี้เนี่ยต้องเห็นกับทุกคนเลยแม้แต่ตัวเราแยกเอกเทศอันนี้ให้ได้ก่อนนี่ถือเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเลยนะคือเราอย่าไปเอาเหตุผลอันอื่นมาจนคือให้มองทุกคนเป็นปัจเจก เป็นตัเจเอกในความเป็นเหตุเป็นผลเฉพาะตัวเช่นอะไรนะพื้นหาเรื่องเฉพาะตัวเช่นอิ่มเฉพาะตัวหิวเฉพาะตัวหนาวเฉพาะตัวร้อนเฉพาะตัวป่วยเฉพาะตัวแก่เฉพาะตัวตาเฉพาะตัวเป็นต้นอนะความเข้าใจอันนี้ต้องต้องดีว่าทุกคนมาด้วยด้วยเหตุด้วยผลเป็นเป็นของตนเป็นของตนคือแยกในส่วนนี้ก่อนว่าเขามาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปตามกรรมของเขาเรามาด้วยกรรมของเราแล้วก็ จากตปตามกรรมของเราทีนี้นในบรรดาเรามาด้วยกรรมของเราเช่นเออเราก็มาด้วยบุญนะถ้าไม่มีบุญเราก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกนี้ก็มาด้วยบุญของเราล่ะอันนี้เรียกว่ากตันยูภายในคําว่ากตันยูมีสองส่วนใช่ไหมกตันยูภายในกับภายนอกภายในก็คือนึกถึงความดีที่ตนทํามาภายนอกก็คือคนอื่นที่มีอุปการะต่อเราเราก็รู้ถึงอย่างนี้นะความกตันยูตัวเนี้ ทุกคนก็เหมือนกันเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็จัะไปตามกรรมของเขาอันเนี้ยกรรมสรรตาตัวนี้เราแม่นยําขนาดไหนก่อนเมื่อเรามาตามกรรมของเราเราก็จะไปตามกรรมของเราทีนี้บรรดาที่ไปของเรามีอะไรบ้างที่เราเองจะไปนะหรือเขาก็เหมือนกันที่เขาจะไปเขาสามารถไปที่ไหนบ้างก็นึกถึงที่เกิดหนึ่งตัวเราเองเนี่ยไปอบายพ้นหรื อ, อยังนรกก่อนนะปัจจัยที่จะทําให้ภันรกเรามีไหม ก็มาไล่ดูบอกเขาว่าตารางมาขีดดูเลยห้าร้อยกว่าขมเนี่ยเราเลือกสามารถไปขมไหนได้บ้างเพราะเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทํากรรมมาชาตินี้เราทําอะไรมาบ้างไงแล้วก็มาขีดดูว่าเอ้ประตูนรกเราเปิดไว้กี่ประตูก็มาขีดขีดดูประตูเดรัจฉานเป็นวัวเราพ้นหรือ ย, ยงังเป็นหมาเราพ้นไหมเป็นจระเข้พ้นไหมเป็นปลาพ้นไหมเป็นอะไรพ้นไหมก็มาไล่ดูแล้วก็มาไล่ดูอะไร เปรตทั้งหลายรวมทั้งอสูรกายกับเปรตในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าประตูแห่งอบายเหล่านั้นเราก็ไม่ได้ดูเราล่วงกับมาบทอะไรมาบ้างที่เป็นเหตุนําไปสู่ณนะที่นั้นที่นั้นอันนี้เราก็คํานวณดูเหตุแล้วใช่ไหมว่าเออเนี่ยเราเปิดประตูอบายไว้แล้วนะซึ่งอบายเหล่านี้ถ้าเราจะตกนรกพ่อไปช่วยตกไหมแม่ไปช่วยตกไหมเพื่อนไปช่วยตกไหมญาติไปช่วยตกไหมบ้านเมืองเป็นต้นมาช่วยตกนรกกับเราไหม ถ้าเราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นหรือเกิดในเปรตมีคนไปช่วยหิวเราไหมอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราเลยนะแล้วเขาก็เหมือนกันทุกคนเขาจะไปตามกรรมของเขาเขาเปิดประตูบายไว้ไหมเขาเปิดประตูนรกไว้ไหมเปิดประตูเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเอาไว้ไหมก็มาดูแล้วเขาถ้าเป็นมนุษย์ละ่ะในบรรดามนุษย์เนี่ยห้ากพันล้านเราไปอยู่ตระกูลไหนในบรรดาตระกูล ถ้ามนุษย์ห้าหกพันล้านก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่ากี่ครอบครัวถ้าครอบครัวละสามคนนีก็ประมาณสองสองพันล้านครอบครัวสองพันล้านครอบครัวเราไปอยู่ครอบครัวไหนอยู่ตระกูลไหนนี่ความเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์เราก็ไปด้วยกรรมของเรานะอย่างแม่ทั้งหลายเขาไม่รู้หรอกว่าลูกเข้ามาจากคติมาจากที่ไหนที่มาอยู่ในขันของเขาก็เออนี้ก็ถือว่าลูกเราก็เลี้ยงไป ทีนี้ในมรรนาคันทั้งหลายเราก็พร้อมที่จะเกิดได้ที่ไหนบ้างที่เราปฏิสนธิไม่ได้บ้างอย่างเช่นตระกูลต่ำๆตระกูลจันทหารเป็นต้นเนี่ยนะเรามีมานะไหมถ้าหากว่าเรามีมานะมีความเยอะอยิ่งเป็นต้นเราก็ไม่ได้พ้นจากตระกูลต่ำๆเหล่านั้นเลยตระกูลที่เรียกว่าอะไรนะพอได้ยินนามสกุลเาก็ร้องยี่แล้วนะมล้วกาไม่เอาละอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นผลของ ไม่เป็นมนุษย์ถ้ามานะนําเกิดอย่างไงนะแล้วก็มาไล่ใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไงแล้วประตูแห่งมนุษย์เป็นมนุษย์ในภพต่อไปเราจะอยู่อย่างไงอยู่อย่างสบายไหมถ้าเป็นเทวดาเราจะอยู่อีกกี่ปีไปสเสวยบุญกี่ปีอย่างที่เรามาเนี่ยอย่างสถานที่เราใช้เนี่ยแม้ไฟก็ดูเหมือนมีเพชรประดับเลยนะครับเพชรเทียมอ น, นะก็เหมือนมีเพชรเหมือนมีอะไรเป็นต้นเราจะได้ใช้ไฟแบบนี้อีกกี่ชั่วโมงแท้คํานวณได้เลยใช่ไหม ถึงห้ามงเย็นเนี่ยเราต้องไล่ออกจากห้องนี้ละมันมีกําหนดเฉพาะในห้องเราแม้ตอนแรกเขกระจายห้องกันหน้าดูตอนนี้มันเหลือไม่กี่ห้องแล้วเดี๋ยวอีกภาคเดียวไม่เหลือแม้แต่ห้องเดียวเดี๋ยวอีกภาคเดียวก็ขนต้องออกตลอดตลอ น, ต, ลอ น, ต, ลอนต่อไปอีกอันนี้ในความเป็นมนุษย์ต่อไปถ้าเป็นเทวดาเราควรจะอยู่นานไหมเทวดานะสมมติออาถ้าเปรียบเหมือนเทวดาเราก็เหมือนกับอยู่บนเรือบินคืนเนี่ยอยู่อย่างนั้นตลอดไปได้ไหม ถ้าหากว่าที่ลงไม่ค่อยดีนะเลือกที่ลงไม่ดีเนี่ยลงมาอีกทีนี่ยมองพระ ส, สุทาเลยใครจะรู้เล่าหมองพระ ส, สุทาหรือจมดิ่งมหาสมุทรหรือไปดิ่งอะไรทะเลสาบหรือว่าชนภูเขาเป็นต้นอนี่ยนะเพราะเหตุการณ์ที่ว่านี่ไม่ใช่เขาไม่มีเขาก็มีอยู่ให้ได้ยินอยู่แม้กระทั่งความสุขเทียกว่าเขาเมื่อเขามาเนี่ยมาที่นี่มันได้ป่วยมันดีอยู่อย่างหนึ่ง เออนะไม่ได้สวยแบบนี้ก็ยังไม่พ้นชรามรณะนี่เอาชรามรณะมาด้วยเอาโรคาพยาธิเป็นต้นมาด้วยไม่เห็นหน้าเพลิดเพลินอะไรสักอย่างเลยนะก็สถ า, านที่มันก็ดูดีนะแต่เอาความแก่มาด้วยมันเลยไม่ดีทีนี้เมื่อกล่าวว่ากรรมของเราที่ที่เราจะเป็นไปแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์เราจะอยู่ได้อีกนานไหมทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เกินร้อยปีถ้าไม่เกินร้อยปีเนี่ยเราหายได้เลยใช่ไหมว่าเราเหลือเท่าไหร่ แมนพาวเวอร์ Man อยู่พักหนึ่งแล้วก็เลยไปเห็นว่าที่เราคิดว่าดีมันก็เป็นไม่ใช่เพราะกลายเป็นว่าเขาก็บางครั้งก็โกงค่าคอมมิชชั่นกับพวกคนงานเลยยิ่งแย่ใหญ่ก็เลยเป็นไม่ใช่ที่เราคิดมันไม่ใช่ก็เลยลาออกแล้วตอนนี้ทําอยู่พอดีนายเก่าก็เลยบอกว่าให้กลับมาก็เลยกลับมาทําที่บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศค่ะก็เพราะว่าเพา่อข้อจาร์แบบว่า ถ้าสมามะอาชีวะไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ก็เห็นชัดชัดเจนเลยนะที่ผมยกเรื่องเรื่องเอาทิฏฐิเนี่ยมามาทําการคาเนี่ยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าการเผยแพร่ของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเข้ามาทิฏฐิจากพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมพระภิกษุองค์ใดเนี่ยนะก็เอาเอาทิฏฐิอันเนี้ยที่มักเป็นเครื่องบางหน้าแต่ไปเผยแพร่ผิดผิดเนี่ยใช่ไหม ก็เาทากับว่าเอายี่ห้อของพระพุทธเจ้าเนี่ยมามาใช้แล้วก็ไปเอาสินค้าป ล, มปลอมๆไปขายเนี่ยโดยมีชีวิตได้อยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะซึ่งขณะที่เขาไปเผยแพร่นั้นเนี่ยถามว่ามีสัมมาวาจาไหมาไม่มีแน่นอนถ้ามีสัมมาคามตาไหมาไม่มีสมมุติว่านักบวช น, นั่นน่ะนะไม่ว่าใครก็ได้ที่บ้านเราอะสมมุติยกตัวอย่างเห็นง่ายๆดีสมมุติว่าไปาทําำเครื่องรางของขลังอะไรที่มัน แตไในนักเหรียญนักเหรียญนั่นน่ะนะแล้วก็ไปบอกว่าเออไอ้นี่ยนะมันจะนํามาซึ่งราบนํามาซึ่งโชคดีอะไรเนี่ยมันนํามาซึ่งมงคลอะไรเนี่ยหรือว่าให้หวยให้เบอร์อะไรไปเนี่ยเนี่ยโดยที่อ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นมิจฉาอาชีพแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิที่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงบอกว่าเออตัวทิฏฐินี่มันสําคัญมากนะเพราะตัวเขาจะต้องรู้ก่อนนะว่าในอีกเจ็ดองเนี่ย จะผิดหรือถูกเนี่ยมาจากปัญญาอันนี้อันแรกเลยนะตั้งแต่เขาจะต้องมีปัญญารู้ว่าสังกัปะเนี่ยประเภทมิจฉาสังกัปะหรือว่าสัมมาสังกัปะมันต่างกันยังไงมันเป็นยังไงหรือว่าสัมมาวายามะเนี่ยมันเพียนยังไงต้องรู้ก่อนเลยว่าเออสัมมาวายามะเพี้ยนยังไงบางคนนี่ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเออมันเพี้ยนนะเพียนอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าเออไอการเพี้ยนนะเพียนที่จะละกุศลนะเป็นเรื่องระละกกิเลส และอกุศลเนี่ยนะที่เป็นความเพียรอย่างนี้ถ้าไปเพียรอย่างอื่นไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้เลยถ้าไปเพียรอย่างอื่นไม่เกี่ยวเลยแล้ไปเพียรในอาชีพในอะไรต่อะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวต้องเกี่ยวกับเรื่องนี่เรื่องว่าในขเพียรทําทํากุศลหรือว่าเพียรที่รักษากุศลไว้ที่มีแล้วก็รักษาเอาไว้หรือว่ายังไม่มีก็ทําให้มันมีขึ้นหรือว่าอกุศลมันมีก็เพียรที่จะละมัน คือผู้ที่รู้เนี่ยก็คือตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาเป็นตัวรู้นี้ก่อนพอไล่ๆลงไปแล้วเนี่ยนะไปถึงสมาสมาธิเนี่ยสมาธิไหนเนี่ยมันเป็นวิชาสมาธิหรือสัมมาสมาธิเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิเขาก็เป็นคนตัวตัววิจัยเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าสัมมาสติเหมือนกันแม้แต่สัมมาวาจาสัมมากรมมันตสัมมาอาชีวะเนี่ยก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเขาเป็นตัววิธีใฉัยอั่อกี้ที่อาจารย์ กลับมามาถึงตรงนี้ก็มีความสําคัญมากเลยใช่ไหมฮะนิย้อนกลับมาครั้งหนึ่งว่าสาระสําคัญของสัมมาทิฏฐิคืออะไรรู้ไหมคือสามารถกําหนดทางแห่งคติห้าได้แล้วก็กําหนดทางแห่งความพ้นคติห้าทีนี้ถ้าหากว่ายังกําหนดทางแห่งคติห้าไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่ายทางแห่งพระ น, นิพพานนะที่พ้นคติอะไรทั้นสิ่งที่เราควรเอามามาคิดเลยในตอนแรกคืออะไรคือทางนรกอะไรคือทาง เปรตอะไรคือทางเรระชามอะไรคือทางมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรคือทางไปเกิดเป็นเทวดารวมถึงพรมกําหนดตัวนี้ให้ดีก่อนแล้วมันมีทางอีกตัวหนึ่งนะเป็นทางที่พ้นจากนรกพ้นจากอบายหรือพ้นจากวัตฏามีอยู่นะอันนั้นคือมรคคือตัวมรคมันเป็นธรรมชาติที่เรียกว่ามันก็ถนนสรุปว่ามีถนนหลักใหญ่ๆอยู่หกซ้ายด้วยกันถ้าดูจากข้างนอกมันเหมือนกันเกือบหมดเลย เพราะทุกอย่างมีทิฏฐิเป็นตัวนําหมดเช่นทางไปนรกก็มีทิฏฐิเป็นตัวนําทางไปสู่เปรตก็มีทิฏฐิเป็นตัวนําทางไปเดรัจฉานก็มีทิฏฐิเป็นตัวนําทางมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็มีทิฏฐิเป็นตัวนําทางไปสู่ความเป็นเทวดาก็มีทิฏฐิเป็นตัวนําหรือทางไปสู่ความพ้นทุกข์ก็มีทิฏฐิเป็นตัวนําในขณะเดียวกันก็ต้องมีสังกัปปะมีวาจามีกรรมต่างที่สมควรในเรื่องนั้นๆ ในชั้นแรกเราต้องแยกให้ออกก่อนทีนี้ลองไล่มาอีกกันกรรมสกตาแยกทางแต่ละสายแต่ละสายที่ไปสู่คติทั้งห้าแล้วก็ทางไปสู่อคติสมมุติทางไปสู่นรกคืออะไรคิดยังไงจนล่วงอกุศลกรรมบดแนวความคิดใดที่เป็นไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบทอันนั้นเป็นทางแห่งนรกเปรตอสุรกายสัตยระชานทุกอารมณ์เลยนะว่างั้นเถอะทุกทวารด้วยเอ่ะคิดอะไรก็ตามที่เป็นไป หนึ่งเป็นไปกับทุจริตสามนั่นแหละกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตนั่นคือทางแห่งโรกเปรตอสุรกายและเดรัชานทีนี้ทางไปสู่มนุษย์กับเทวดาลกุศลกรบมบทศิษย์กหนดได้ไหมคือกุศลกรบมบทศิษย์ทีนี้ข้อต่อไปทางไปสู่พรหมโลกก็เป็นพรหมวิหารสมถะหรือรชานทั้งหลายส่วนทางให้พ้นคติคืออริยมรรคมีองแปดที่เป็นโลกุตระนั่นคือทางแห่ง ไม่พ้นคติก็คือพระนิพานอรอยิยมรรการประกอบผิด้วยองค์แปดก็ลองฝึกแยกแบบนี้ก่อนในเบื้องแรกถ้าเราแยกอย่างนี้ปั๊บเอ๊ะความคิดอันนี้มันส่งเสริมอกุศลกรรมบทสิบนัเนี่ยความคิดตัวนี้เป็นส่งเสริมอกุศลกรรมบทสิบนี่คือมิจฉาสังกปะตอบได้เลยทันทีว่าความคิดใดเพื่อส่งเสริมอกุศลกรรมบทสิบความคิดนั้นเป็นมิจฉาสังกปะความคิดใดที่ส่งเสริมกุศลกรรมบทสิบ ความคิดนั้นเป็นสัมมาสังกปะที่เป็นระดับล่างๆอ่ะนะความคิดใดที่เป็นไปเพื่อส่งเสริมฌานจิตทั้งหลายก็เป็นสัมมาสังกปะเหมือนกันความคิดใดที่ส่งเสริมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิคือเบื้องแรกสำคัญที่สุดว่ามันอยู่ที่ความเห็นอ่ะนะมันอยู่ที่ความเห็นก่อนถ้าคุณมีความเห็นในเรื่องนั้นว่าอย่างไรแต่ละคนเนะี่ยมีแนวโน้มมีทิฏฐิที่ที่เอียงที่จะล่วงอกุศลก ร, รมบทไหม ถ้าเอียงที่จะล่วงอกุศลกรรมบทอันนั้นเป็นมิจฉาสังกปะตอบได้เลยถ้าคุณคิดส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นนะเช่นอยากจะด่าใครสักคนหนึ่งความคิดก็ส่งเสริมว่ามันต้องด่าอย่างนี้องนนะมันต้องมีวิธีการหน่อยอะไรหน่อยอันนี้เป็นมิจฉาสังกปะหรือถ้าหากว่าจะปลอกลอกใครสักคนหนึ่งมันก็ต้องพูดเรีย ก, กล่อมเขาอย่างนี้องนนะจึงจะได้เอาของของเขามาอย่างนี้อยงนีอันนี้ก็เป็นมิจฉาสังกปะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้ถ้าเราฉากให้ทานใครสักคนหนึ่ง เราก็เลยเออเราต้องให้ของแบบนี้แบบนี้มบ บ, บบนี้นะใช่ไหมก็ตามด้วยสังกัปปะเหมือนกันหรือเรามีความคิดแบบไหนล่ะมีทิฏฐิในแบบไหนอันพื้นฐานสําคัญที่สุดว่ามิจฉาสังกัปปะความคิดใดที่มุ่งส่งเสริมอกุศลกรรมบทสิบอันนั้นแหละมิจฉาสังกัปปะถ้าความคิดใดที่ส่งเสริมกุศลกรรมบทสิบนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะที่จะนําไปสู่มนุษย์และเทวดาถ้าวิตกตัวใด ที่ส่งเสริมฌานสัมมาทิฐิความคิดนั้นก็เป็นทางแห่งพรหมโลกความคิดใดที่น้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจความคิดนั้นอนะสังกปะตัวนั้นก็เป็นเป็นอะไรเป็นสัมมาสังกปะที่เป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอันเอาเอาตัวทิฏฐิเป็นหลักก่อนเพราะตัวทิฏฐิมันถ้าเป็นรถนะมันเหมือนพวงมาลัยอ่ะมันว่ามันกําหนดจะไปที่ไหนส่วนไอ้สัมมาสังกปะมันก็เหมือนกับล้อ ถ้าพวงมาลัยหมุนไปผิดแล้วเนี่ยนะล้อมันก็หมุนไปตามพวงมาลัยเพราะตัวสัมมาสังกปะมันเหมือนกับตัวสังกปะมันเหมือนกับล้ออะทิศมันเหมือนกับพวงมาลัยที่จะนําไปสู่ที่ใดเพราะตัวทิศนี่มันเป็นตัวกําหนดสถานที่ที่จะไปใช่ไหมล้อมันก็หมุนไปตามนั้นเพราะสังกปปะนี่มันต้องมากมากจริงๆอนะมันหมุนเหมือนกับล้อรถนั่นแหละจะไปถึงที่ไหนได้เร็วหรือไม่แค่ไหนก็อยู่ที่ตัว สังกปะอยู่ที่การคุรุนคิดในสิ่งนั้นๆนี้นนนถ้าเราแยกตรงนี้ได้ก็จะเห็นชัดเลยคําพูดใดที่ส่งเสริมสังกัปะเหล่านั้นเนี่ยนั่นคือวาจาการกระทําใดที่ส่งเสริมวาจานั้นแหละเป็นเป็นกรรมันตะอาชีพก็ไม่พ้นกายวาจาอยู่แล้วเพียรก็เพียรทําอะไรก็เพียรตามนั้นแหละสติสัมมาสติหรือมิจฉาสติก็ตามก็ระลึกไปตามนั้นนั่นแหละ สงบก็สงบเป็นไปตามนั้นอ่ะเพราะนั้นหัวข้อหลักเบื้องต้นเลยคือกําหนดทางแห่งคติห้าและทางแห่งพระนิพพานให้ได้ถ้าแยกส่วนนี้ได้ก็ก็ดีแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นของเฉพาะตัวด้วยถ้าหากว่าเราเข้าใจในส่วนนี้นะเราจะไม่เอาข้ออื่นมาเป็นข้ออ้างว่าเออนี่ฉันต้องประกอบอาชีพอันนั้นฉันจะต้องทําอันนี้ฉันจะต้องอันนั้นอันนู้นไปนต้นเนี่ยนะมีเหตุผลจนต้องต้องอะไรต้องทําบาปบางคนมีเหตุผลจนต้องทําบาป แต่บางคนก็ดีนะถ้าหากว่าเขามีทิฏฐิที่ดีอ่ะนะถ้าเขามีทิฏฐิที่ที่ดีที่ถูกต้องเขามีเหตุผลจนต้องทําบุญบางคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะแนวโน้มที่จะล่วงอกุศลกรรมบทเห็นว่าอกุศลกรรมบทไม่มีโทษเขามีเหตุผลจนต้องทําบาปมีวิธีคุ้นคิดจนได้ทําบาปจนได้ถ้าหากว่าเขาเห็นผิดนะถ้าเขาเห็นถูกนะมีเหตุผลจนต้องทําบุญ ทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์ไม่น่าจะทําบุญแต่ก็ต้องทําบุญมีเหตุผลจนต้องทําบุญเพราะอะไรเพราะสัมมาทิฏฐินําหน้ามันอยู่ที่ความเห็นจริงๆว่าเขาเห็นอะไรเป็นสาระถ้าเห็นเห็นอกุศลกรรมบทสิบเป็นสาระนํามาซึ่งมหาพูดทั้งหลายเขาก็จะล่วงแต่อากุศลกรรมบทสิบแต่ถ้าหากว่าเขาเห็นว่ากุศลกรรมบทเป็นสาระเขาจะคลุ่นคิดปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบท ถ้าผู้ใดมองเห็นว่าพรหมวิหารเป็นต้นเป็นสาระเขาก็มุ่งที่จะเจริญพรหมวิหารโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าผู้ใดมองเห็นว่าการแทงตลอดอริยสัจเป็นสาระเขาก็จะพยายามคุ้นคิดยังไงให้เป็นไปกับการตึกอริยสัจซึ่งถ้าหากว่าทิฐิชัดเจนในตอนแรกแล้วการกําหนดว่าอันนี้เป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมานะตัวตั้งแสังกปะไล่ลงมาแล้วมันจะไม่ให้ข้อยากแล้ะมันอยู่ที่หัวขบวน ว่าในชีวิตของเราจริงๆอะไรคือสาระก่อนถ้าพูดถึงนรกเนี่ยโดยชื่อเนี่ยมันถูกต่อต้านมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมโดยชื่อเราอาจจะหลายคนต่อต้านแต่โดยพฤติกรรมยินดีโดยพฤติกรรมเนี่ยเอาเอาจังเลยที่ปฏิบัติตัวเพื่อให้ตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าคนอื่นเขาทําผิดแล้วเรากโกรธนี่ใครผิดกันแน่น้อยคนนักนะที่จะคิดว่าอันนี่แหละขอโทษที่ฉันต้องกโกรธไม่น่ากโกรธเลยอย่างเงี้ยนะ คือมองเห็นว่าคนอื่นผิดตลอดโดยเห็นว่าแม้กระทั่งเราโกรธก็ยังมีเหตุผลมางั้นเถอะอธิบายได้สมควรกับการโกรธย่างยิ่งถ้าเราเป็นอกุศลก็ยังดีอ่าสรุปแบบว่ากลวมเหล่านี้เนี่ยทิฏฐิไม่ค่อยดีเท่าไหร่แยกแยะสาระอะไรไม่ชัดเจนตอนถ้าหาว่ากำหนดทางแห่งคติห้าได้คือตัวตัวมรรคเนี่ยนะมันอะไรนะถ้ามีมิจฉาทิฐินะมิจฉาสังคัปะก็จะมีแต่พอหมะ มิจฉาวาจาก็พอเหมาะกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉากัมมันตาก็พอเหมาะกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉากัมมันตะก็พอเหมาะแข่มิจฉาทิฏฐิมันอยู่ที่หัวขบวนจริงๆทีนี้อย่างคล้ายๆกับตอนต้นที่อาจารย์สันติสนทนาว่าอินทรีย์เนี่ยแยกเจริญใช่ไหมเพราะทั้งๆที่เขาหลับนั้นเขาก็เกิดพร้อมกันไม่ใช่หรือถ้าอุปมาก็เหมือนเขาว่ามีเศรษฐีอยู่สี่คนแล้วมีพระราชาอยู่คนหนึ่งในนั้น ถ้าเข้าบ้านใครใครเป็นใหญ่เจ้าของบ้านเป็นใหญ่อินรี่ห้าเนี่ยเกิดร่วมกันก็จริงแต่ว่าอยู่ในฐานะใครเป็นใหญ่เช่นถ้าเข้าบ้านของคนที่หนึ่งก็คนที่หนึ่งเป็นใหญ่ไปคนที่สองก็ไม่ได้เป็นใหญ่ในที่นั้นนะนะก็ไปร่วมกินเลี้ยงอนะนะไปร่วมกินเลี้ยงเรามีเพื่อนห้าคนเนี้ยพอไปบ้านใครก็คนนั้นเป็นเจ้าของพอไปถึงพระราชวังแล้วเมื่อไหร่พระราชาเป็นใหญ่อบรมศรัทธาก็เหมือนกัน ขณะที่เจริญศรัทธาไม่ใช่ไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญามีแต่ว่าศรัทธาเป็นใหญ่ขณะที่อบรมวิริยะก็มีตัวอื่นๆด้วยแต่ว่าวิริยะเป็นใหญ่อบรมสติก็มีอย่างอื่นแต่สติเป็นใหญ่อบรมสมาธิก็สมาธิเป็นใหญ่อื่นๆเป็นบริวารถ้าเกี่ยวกับอริยสัจปัญญาเป็นใหญ่นี่ก็ลักษณะเดียวกันมักก็เหมือนกันถ้าหากว่ามิจฉาทิฐินําหน้านะไอ้มิจฉาวะก็เป็นบริวารตามมาอีกถ้า กรรมสการสมมาทิทฐิเป็นหัวหน้านะสมมาทิ่เหลือก็ตามเป็นขบวนอีกถ้าวิปัสสนาสามมาทิทฐิเป็นหัวหน้าอย่างอื่นก็ตามเป็นขบวนอีกถ้าเป็นฌานสัมมาทิทฐินำหน้าตัวที่เหลือก็ตามไปเป็นขบวนถ้าสมมาทิฏิที่เป็นวิปัสสนานำหน้าที่เหลือก็ตามเป็นขบวนอีกถ้าสามมาทิ่ิที่เห็นอริยสัจนำหน้าตัวที่เหลือก็ตามกันเป็นขบวนอีก เพามันสุดแท้แต่ว่าอยู่ที่หัวหน้าขบวนทีนี้เราก็มาดูว่าในประเด็นที่เราคุยกันตอนว่าเออเนี่ยที่เราทําทําอยู่นี้เป็นสัมมาอาชีวะไหมเป็นสัมมาวายามะไหมเป็นสัมมาสติอะไรเป็นต้นเหล่านี้ไหมเราก็มาดูว่าทิที่ของเราจริงๆเราต้องการอะไรเราเห็นอะไรกันแน่ในนี้เนี่ยฮะ น, นหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเราแม่นไหมถ้าบางคนเนี่ยเขามีเหตุผลจนต้องทําบาปก็แสดงว่าสัมมาทิฏฐิเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้ามีเหตุผลจนต้องทาบาปใช่ไหมแสดงว่าทิฏฐินั้นไม่ดีถ้ามีเหตุผลจนต้องทาบุญแล้วแสดงว่าทิฏฐิดีไอคําว่าบุญนี่มันกว้าง่านะไม่ใช่หมายคําว่าให้ทานอย่างเดียวถ้าเรามีทิฏฐิโดยเฉพาะทิฏฐิที่กําลังพูดถึงเน้นเป็นพิเศษคือทิฏฐิที่เป็นความรู้ในอริยสัจความรู้ในอริยสัจอันนี้ก็นําด้วยสัมมาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมนําด้วยอะไร ถ้าเป็นความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจก็นําด้วยสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐินี่รู้อะไรรู้อริยสัจอริยสัจประกอบไปด้วยอะไรบ้างอริยสัจก็มีทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจแล้วก็มรรคอริยสัจมรรคเนี่ยธรรมชาติอีกตัวหนึ่งคือตัวเห็นสัจจะที่เหลือนั่นแหละคือมรรคมรรคนี้เห็นทุกขกับสมุทัยโดยกิจเห็นนิพพานโดยอารมณ์ทีนี้ก็มาไล่ใหม่ว่าทุกขสัจเป็นไฉไลอะไรบ้างทุกขสัจ ชาติชราพยาธิมรณโะโสกปริเทวทุกขโทโมานัตและอุปาญาตนั่น แ, aya, แหละคือทุกขสัตว์หรือเรียบรวบย่อๆก็คือขันอายตนะธาตุคือทุกขสัตว์ขันธาตุอายตนะของสัตว์นรกขันธาตุอายตนะของเปรต ข, ขันธาตุอายตนะของเดรัจฉานขันธาตุอายตนะของมนุษย์ขันธาตุอายตนะของเทวดาขันธาตุอายตนะของพรหมขันธาตุอายตนะของอรูปพรหมขันธาตุอายตนะของพาาระรหัต นี้เอามาไล่ว่าขันธ์าตุายตนะของผู้อยู่ในวัฏฏะในภูมิสามมีอะไรเป็นสมุทัยก็อย่างว่าขันธ์าตุอายตนะของสัตว์นรกมีอะไรกุศลกรรมบดเป็นสมุทัยขันธ์าตุอายตนะของมนุษย์ก็มีกุศลกรรมบดเป็นสมุทัยขันธ์าตุอายตนะของเทวดาก็มีกุศลกรรมบดเป็นสมุทัยขันธ์าตุอายตนะของพรหมก็มีฌานทั้งหลายเป็นสมุทัยก็เพราะว่าตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวจัดสรรใช่ไหม ตัวจัดสรรให้ขันท่าหระยะตันห์อยู่ที่ใดแต่ที่กรรมเหล่านั้นให้ผลเนี่ยเราจะพูดไม่ได้เลยว่าไม่บวกตันหาเข้าไปด้วยแม้กระทั่งมาสังเวชนียสถานเนี่ยใครบอกไม่มีตันหาเลยมีไหมอาหารอร่อยไหมอร่อยอย่างงี้ยนะอร่อยเนี่ยก็ดูตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมีอาสาทนะนั้นนๆัๆเข้าอาสาทะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้มันอดตันหาไม่ได้ตันหาในทุกทวารเข้าห้องพักปั๊บเจริญมรณานุสติเลยเนีย่อาจจะเตียงสุดท้ายเลยก็ได้ เรก็ดีเนี่ยได้พักผ่อนนอนหลับมรณานุสตกิกับคิดว่าหูยตลอดสบายเนี่ยไห น, านามากกว่ากันสบายมากกว่าเลยนะโอ้นี่ห้องแค่แพร์เหมือนอะไรนะห้องสี่เหลี่ยมเหมือนอย่างกะสาธุเคยคิดอย่างงี้บางสักครั้งไหมห้องสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยนะข้างล่างก็มีก็ติดไฟให้อะนะมีไฟก็พลิกประพับเออเหมือนเลย <laughs> จัดบรรยากาศได้เหมือนมากเออมีแอร์ด้วยเพราะว่าห้องโรงศพสมัยใหม่เขาก็ติดแอร์ให้ศพนั่นเ เ, ออเหมือนกันไปหมดเลยเนี่ยนะเ อ, อนี่เราก็ฝึกฝึกอยู่นะซ้ำซ้ำไม่เดี๋ยวก็ไปอยู่ในนั้นจริงๆเลยนะเพ อ, อมรณาทุสติอันนี้แม่นไหมแล้วโดยที่สุดแม้กระทั่งมาทำบุญก็ยังมีวิปลาสผสมอีกยังไม่ค่อยหวนและลึกถึงอันนี้จังเป็นต้นเลยนี่เราก็มาวัดดูอีกต่อไปว่าชาติชารามรณาเหล่านี้เนี่นะขันทาศราตนะเหล่านี้ก็ต้องมีนี่นะขนาไม่อยู่ตรงนี้มันยังบินเข้าจมูกเลย ตัวนิดเดียวบินเข้าจมูกโอ้โทษของวัตตะแต่ถ้าหากว่ามันพิจรารณาชาติชรามรณะบ่อยๆมากๆเท่าไหร่ชรามรณะในรกชรามรณะในเปรตชรามรณะในเดรชานชรามรณะของมนุษย์ชรามรณะของเทวดาชรามรณะของพรหมถ้าใส่ใจแบบนี้แบบนี้บ่อยๆนะมีแนวโน้มว่าทิฐิเราค่อนข้างดีเพราะใส่ใจโดยความเป็นขันธ์ธาตุยนตนะของภพ ทุกภพภูมิสามในภูมิสามคือชรามรณะชรามรณะมีชาติเป็นเป็นสมุ ท, ทยัยชาติมีกรรมเป็นสมุ ท, ทยัยไอ้ใส่ใจตัวนี้เนี่ยต้องแม่นให้แรกๆก่อนเน่นะค่อยมาพูดองค์มครคที่เหลือจริงๆนะขอมาอยากให้ให้ทําความเข้าใจในตรงนี้ให้มันดีๆก่อนค่อยไปคิดว่าเออนี่เป็นเนี่ยสุจริตหรือทุจริตอยู่อะไรเงี้ยนะก็มาทําความเข้าใจตัวนี้ให้มันแม่ น, มนๆเลยว่าในภูมิสามคือขันธ์ธาตุยตนะ ตามใดที่เป็นไปแก่การเกิดในในภูมิสามตรงนี้เนี่ยใส่ใจให้ดีๆให้เม่นๆเลยนะขันาธนาอริยตนะของนรกเหตุของการตกนรกคืออะไรขันาธนาอริยตนะของเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดานี้นะซึ่งอันนี้เราเราคิดโดยไม่มีอคตินะด้วยกรรมสักตาจริงๆนะอันนี้แหละเรียกว่ากาหนดสมูทัยได้